สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเฮลตี้คลับคลับของคนรักสุขภาพนะคะรายการสุขภาพที่อยู่คู่กับคุณผู้ฟังค่ะในทุกๆวันครอบครัวก็คือทุกๆวันอาทิตย์แบบนี้ค่ะ1ชั่วโมงเต็มเตกับสาระความรู้ในเรื่องของสุขภาพนะคะเปิดมาเจอเราตอนตีสี่ถึงตีห้าค่ะแน่นอนได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพนะคะตํามเดินรายการค่ะดิฉันทีรวรดียิ่งมีค่ะดิฉันนัทนาลีสุขดีค่ะค่ะเพอ่มป๊บเดียวพี่แมวปลายเดือนตุลาคมแล้วค่ะจะบอกว่าเริ่มนับถอยหลังแล้้วอีกเดนง ปีแล้วค่ะคุณผู้ฟัง ไม่ว่าอะไรต่างๆนะไม่ไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังในหลายๆท่านได้ทําประสบผลสําเร็จไปบ้างแล้วหรือ ย, อยังนะคะส่วนใครที่ยังนี่ก็เป็นกําลังใจให้เหลย อ, อีกสองเดือนค่ะคุณผู้ฟังนับถอยหลังเปิดไปได้ทินถอยหลังแล้วค่ะบางคนเขาอาจจะวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นปีนะคะแล้วก็ค่อ ย, อยๆทํามาแล้วแหละก็คิดว่าปีนี้ต้องทําให้ได้ยังไงก็ให้กําลังใจค่ะเลืออีก2เดือนเสร็จๆนะคะที่คุณผู้ฟังจะต้องมุ่งมัน่นเราทําให้มันสําเร็จนะคะพอปลายปีนี้ก็อาจจะต้องตั้งเป้าหมายใหม่พี่แมวเอาเป้าหมายเล็กๆปี่น่าจะทำอะไรดีนะคทำแบบง ใชก่อนอย่างเช่นจะลดน้ําหนักปีหน้าสักสองโลจะบอกบางคนบอกว่าเนี่ยเป้าหมายเนี่ยใหญ่มากเลยนะไม่ใช่เป้าหมายเลยเลนะคือเป็นอะไรที่ยากมากอ่ะแล้วสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งจูงใจเนี่ยมันชวนให้แบบหลงไหลออกรูออกนอกลูนอกทางได้ง่ายมากเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของการลดน้าหนักในท้งเป็นเรื่องของสุขภาพอ่ะลดน้ําหนักไปได้อาจจะน้ําหนักเท่าเดิมแต่ว่า ไขมันอาจจะลดลงจากที่ไขมันสูงบางคนก็ oh, ใชใ้เป็นปกติอย่างเงี้ยบางคนก็ใช้กานออกกำลังกายนะคือบางทีเนี่ยอยไม่ทันแล้วจะพูดในเรื่องของการลดปริมาณหรือว่าในเรื่องของการแบบอุยลดความอ้วนเลยไม่ทันแล้วเอาเป็นว่าออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบางคนเนี่ยอาจจะ เปลี่ยนจากไขมันเป็นกล้ามเนื้อก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังคือบางคนจับไปเนี่ยโอ๊ยทําไมฉันมีแต่ไขมันตรงนั้นบ้างแหละตรงนี้บ้างแหละท้องแขนบ้างแหะหน้าท้องบ้างแหละไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ฟังเราลดมันไม่ได้หรือว่าเรากําจัดมันออกไปไม่ได้แต่เราสามารถเปลี่ยนไขมันให้เป็นกล้ามเนื้อได้ด้วยการ<ม>ออกกําลังกายเฉพาะส่วนค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นกันเลยค่ะอึดกันเลยค่ะอย่างน้อยนี่ให้ท้องแขนไม่ยอ้อ<ม>ยเป็นใช้ได้ค่ะเริ่มต้นที่ท้องแขนก่อนง่ายๆนะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังเริ่มออกกําลังกายแล้วก็ตั้งเป้าอะไรที่มัน เล็กๆนะคะอีก2เดือนเนี่ยลดลงได้แน่นอนโลหรือ 1, 1โลหรือ2โลนะพี่แมวถ้าตั้งใจได้ค่ะถ้าเกิดบางคนปีแล้วยังทำไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าบางคนเนี้ยเขาควบคุมจริงๆนะ<อ>เขามีวินัยกับตัวเองเนี่ยบางทีเนียก็คือครึ่งเดือนเนี่ย 15าาวันก็นสามารถที่จะทำได้ภายในกิโลแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นต้องไม่พึ่งตัวช่วยอื่นใด ท, <ะ>ที่จะทำให้การลดนี่เร็วกว่าปกตินะคะใช้อยู่ที่การกินนะคะใช้การออกกำลังกายไม่กินของทอดออไม่กินของมันไม่แปง้งนผักผลไม้เยอะๆนะคะคุณู้ฟงทานถ้าเป็นน้ำผลไม้ก็ น้ำส้มปันก็วิตามินซีก็ค่อนข้างสูงนะคะค<ะ>่ะอ่ะมาถึงช่วงแรกค่ะเป็นเรื่องของข่าวสารและกิจกรรมสุขภาพนะคะข่าวสารในวันนี้ดิฉันเอามาฝากคุณผู้ฟังเป็นอาการของสมาธิสั้นภพยเงียบของเด็กที่ไม่ร้ายแรงแต่มีโอกาสเป็นเรือรังนะค ะ, ะคือเขามีข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตเพราะว่าการใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตมีผลให้เด็กสมาธิสั้นโดยมีโอกาสเพียง 15- 20% เซเท่านั้น ที่สามารถหายขาดเองได้ 15-20% หายขาดเองได้นะคะโดยไม่ต้องเข้ารับการรักษาในขณะที่ 80-85% ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้พี่แมวอแล้วจะเป็นโรคสมาธิสั้นจนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ผลกระทบต่อความคิดการวางแผนการจัดการบริหารชีวิตจากความผิดปกติของสมองส่วนหน้านี่แหละ<ฆ>นะคะสมาธิสั้นเนี่ยดังนั้นการสังเกตรู้เท่าทัานอาการยอมรับเพื่อเข้ารับการรักษาจะช่วยให้โรคสมาธิสั้นแก้ไขได้ทันและหายขาดก่อนที่จะเข้า สู่วัยผู้ใหญ่นะคะโรคสมาธิสั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญของพ่อแม่ผู้ปกครองและคนในครอบครัวที่ต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรมและใส่ใจเด็กๆนะคะการสังเกตอาการของสมาธิสั้นในเด็กต้องเริ่มจากพิจารณาอายุของเด็กกับระยะเวลาของกิจกรรมที่เด็กทําก่อนนะคะว่ามีระยะเวลานา น, านเกินไปหรือไม่โดยนําอายุเด็กมาคูณด้วยสาม ซึ่งเท่ากับจํานวนนาทีที่เด็กสามารถอยู่ในสมาธินั้นได้อย่างเช่นเด็ก5ขวบควรจะมาควรจะมีสมาธิและสามารถจดจ่ออยู่กับกิจกรรมต่างๆได้ประมาณ15นาทีพี่แมวคะ่ะและยังแนะนำวิธีการสังเกตเด็กสมาธิสั้นเบื้องต้นซึ่งเขาแนะนำมี2แนวทางดังนี้นะคะอย่างแรกต้องสังเกตว่าเด็กมีอาการขาดสมาธิหรือไม่โดยเด็กที่มีอาการขาดสมาธิ6ใน9ข้อได้แก่ละเลยในรายละเอียดหรือทาผิดด้วยความเดินเร่อ มีความยากลำบากในการตั้งสมาธิดูเหมือนไม่ไม่ฟังเวลาที่คนอื่นพูดทำตามคำสั่งไม่จบหรือทำกิจกรรมนั้นไม่สำเร็จอ่ามีความยากลำบากในการจัดระเบียบงานหรือกิจกรรมรีกเรื่องกิจกรรมที่ต้องใช้ความพยายามมักทำของหายบ่อยๆวอกแวกสนใจสิ่งเร้าภายนอกง่ายลืมกิจกรรมที่ต้องทำประจำวันอย่างที่ที้ฉันบอกมาเนี่ย6อาการใน9ข้อถือว่าขาดสมาธิแล้วนะคะ สังเกตว่าเด็กมีอาการซนอยู่ไม่นิ่งนะคะรึเปล่าซึ่งก็ต้องมีอาการหกในเก้าคออย่างเช่นยุกยิกพี่แมวขยับตัวไปมานะคะอยู่ไม่นิ่งอ๋อนั่งไม่ติดที่ชอบลุกเดินไม่สนใจเมื่อมีผู้พูดด้วยไม่สามารถเล่นเงียบๆได้เคลื่อนไหวตัวเองอยู่ตลอดเวลาพูดเยอะเกินนะคะพูดพร่องออกมาก่อนที่จะถามจบประโยคมีความยากลําบากในการรอคอยคและขัดจังหวะหรือพูดแทรกในขณะที่ผู้อื่นกําลังสนทนาอยู่ โดยเด็กจะต้องมีอาการก่อน12ขวบนะคะ แ, ะแสดงออกอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย6เดือนต้องเป็นแบบเนี้ย6เดือนหากผู้ปกครองคอยสังเกตว่าบุตรหลานมีอาการอย่างที่ทีฉันบอกต้องพาไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยโรคอย่างละเอียดต่อไปะคะ่ะวิธีการปฏิบัติง่ายๆให้ใ ห, ให้ยึดหลัก 3R ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการดูแลเด็กๆแล้วก็ประยุกต์ใช้ได้จริงในการดูแลบทหลานนะคะอย่างแรก R แรกก็คือ Relationship ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวกับเด็ก ไม่ใช่การหยิบยื่นแค่ให้ของเล่นเด็กนะคะควรเล่นกับเด็กด้วยหรือว่าร่วมกิจกรรมอาจจะเป็นการเล่านิทานก่อนนอนนะคะอย่างที่2ก็คือเร f o r ร์เรนฟอร์เซเมนต์นะคะก็เป็นการชื่นชมแล้วก็ให้รางวัลเด็กแบบพอดีเมื่อเด็กทําดีซึ่งต้องได้รับการชมเจาะจงว่าพฤติกรรมอะไรที่เด็กทําดีอย่างเช่นเก็บของเล่นเข้าที่เองได้หลังจากเล่นเสร็จอาบน้ําแบ่งฟันด้วยตัวเองนะคะหรือว่าอย่างสุดท้ายก็คือ r ีเล e นะคะรีเลสเป็นกฎ ระเบียบที่ไม่เข้มงวดหรือหย่อนยานผู้ปกครองคนปฏิบัติตามกฎนั้นอย่างจริงจังและสม่ำเสมอพร้อมกับมีต้นแบบที่ดีเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกนะคะจริงจริงแล้วก็ต้องสังเกตนะเด็กเขาไม่รู้หรอกผู้ปกครองนี่แหละต้องสังเกตใช่ค่ะแล้วบางทีพฤติกรรมของเด็กที่เขาแสดงออกมาอย่างที่บอกคือบางทีเขาไม่รู้ตัวนะว่าพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมาเนี่ย เอ๊ะเขามีอะไรแอแฝงอยู่กับพฤติกรรมนั้นหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นการพูดการจาการแสดงออกการโต้อตอบหรือการพูดคุยสนทนาก็แล้วแต่นะค ะ, คะผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ปกครองนี่ล่ะคะ่ะก็คอยต้องสังเกตอาการเหล่านี้ด้วยนะคะเอาลวค่ะมาถึง กิจกรรมดีๆของดิชันบ้างดีกว่าค่ะก็จะเป็นสาระดีๆนะคะสำหรับคนรักสุขภาพนะคะที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะ Happy Life นะคะดูกันค่ะว่าจะมี Happy Life ดีๆกับสุขภาพอย่างไรบ้างนะคะก็อย่างเช่นกันเทคนิคการดูแลสมองค่ะให้ห่างไกลโรคสมองเสือ่อมหรือว่าโรคอัลไซเมอร์โรคปวดหลังนะคะว่าจะมีวิธีการแก้ไขหรือว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สามารถ อยู่ได้อย่างมีความสุขได้อย่างไรบ้างหรือแม้กระทั่งการออกกําลังกายนะคะการเล่นโยคะหรือว่ากิจกรรมอื่นๆการดูแลสุขภาพนะคะซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดให้มีในวันที่2พฤศจิกายนค่ะที่โรงพยาบาลบางประก อ, อก9อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะซึ่งกิจกรรมในวันนี้เนี่ยก็เริ่มตั้งแต่เวลา9ก้นิกาสานาทีเป็นต้นไปและที่สําคัญคุณผู้ฟังเป็นกิจกรรมที่ฟรีตลอดงานนะคะนอกจากฟรีแล้วคุณผู้ฟังยังอาจจะมีของติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วยนะคะซึ่งผู้ที่จะมาให้ ความรู้ทางด้านต่างๆเนี่ย ก็มีทั้งทีมคุณหมอนะคะจากโรงพยาบาลรวมถึงผู้เชี่ยวชาญนักโภชนาการแล้วก็จะมีแขกรับเชิญด้วยนะคะหรือว่าใครเนี่ยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของอาหารโภชนาการต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะปรึกษานักโภชนาการหรือว่าคุณหมอรวมถึงผู้เชี่ยวชาญได้ด้วยนะคะหรือใครที่ชื่นชอบการออกกําลังกายนะคะก็มีทั้งคุณครูกานแล้วก็คุณครูหงเนี่ยมาให้คําแนะนํานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคหัวใจโรคต่างๆนะคะโรคเกาตโรคข้อเสื่อม สามารถหาความรู้ในกิจกรรมในวันนี้ได้ค่ะวันที่2องพฤศจิกายนนะคะที่โรงพยาบาลบางประก่อเก้าอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะสอบถานหรือว่าสำรองรายเด็ดสำรองที่นั่งนะคะหรือว่าสอบทำรายเด็ดเพิ่มเติมได้ค่ะคุณผู้ฟังที่0 2นย์9 9 9สีองต่อ4 1 2หหรือที่0 8 5ย์1 4 6 6 7ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันแล้วก็เป็นเป็นกิจกรรมที่ จะบอกว่าเมื่อเราร่วมกิจกรรมนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราได้รวมถึงสมาชิกภายในครอบครัวของเราได้ด้วยนะคะก็อยากให้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้เยอะๆค่ะวันที่2พฤศจิกายนที่โรงพยาบาลบางประกอก้าอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะอาจจะต้องลงปฏิทินไว้นะคะพี่แมวแต่อีกแค่ประมาณ1สัปดาห์เองนะคะอยู่ย่านนั้นก็อยากให้ไปฟังกันเหมือนกันนะคะแล้วมันก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะพี่แมวไม่มีค่ะแล้วก็ดีไม่ดีอาจจะได้รับของที่ระลึก ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยก็เป็น อ, อาจจะเป็นของที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหรือเป็นหนังสือข้อมูลดีๆความรู้ดีๆที่นํามาฝากคุณผู้ฟังกันที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนั้นค่ะค่ะก็เป็นในเรื่องของข่าวสารกิจกรรมแล้วก็กิจกรรมสุขภาพนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงแรกนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเรากลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการนะคะสักครู่ค่ะ h เฮลที่กลับกลับของคนรักสุขภาพ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 ขอเชิญชวนนักศึกษาบุคลากรและผู้ที่สนใจ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 549-3653 ช่วง Health Trip สนับสนุนโดยวิทยาลัยการแพทย์แานไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมุ่งผลิตบุคลากรวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพโดยบุรณาการองค์ความรู้ด้านการแพทย์แานไทยกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลับเข้ามาสู่ช่วงที่สองของรายการเ t ลที่ขับขับของคนรักสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้เป็นช่วงของเฮลทร i ปค่ะทริปมากมายหลากหลายในเรื่องของสุขภาพเรามีมาฝากคุณผู้ฟังค่ะเริ่มต้นที่ทดิฉันเลยพี่แมวค่ะดิฉันเอาใจผู้สูงวยนะคะด้วย5วิธีชะลอสมองเสื่อ ม, อม บางทีพออายุมากขึ้นเนี่ยสมองมันก็เสื่อมใช่ไหมคะบางคนก็เป็นอัลไซเมอร์คือโรคอัลไซเมอร์เนี่ยถือว่าเป็นสาเหตุหลักอันดับต้นๆของภาวะสมองเสื่อมซึ่งภาวะสมองเสื่อมเป็นความผิดปกติที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุนะคะอาการที่แสดงที่สําคัญที่พบได้ในภาวะสมองเสื่อมก็คือความบกพร่ขของทางด้านความจำํำลืมวันนัดหมายทำ<ข>ํำของให้หาไม่เจออาจจะไม่ต้องรอให้สูงอายุคือหาของ <c oughs> ไม่เจอเนี่ยก็เป็นอยู่นะที้เป็นแล้วเป็นแล้วค่ะ เ, เป็นแล้วลงทางอย่าเนี้ยพี่แมวหลงทางสถานที่ที่เคยไป ลงหลงรืมลื ม, ลมบกพ่องทางความสามารถในการคิดวางแผนเช่นความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการใช้เครื่องมือใหม่ๆลดลงความบกพร่องในการสื่อสารเช่นความคล่องแคล่วในการพูดหรือการสื่อสารลดลงมีปัญหาในการคิดคำศัพท์วลีหรือประโยคที่เหมาะสมการบกพร่องทางพฤติกรรมเช่นมีความหุนหันพลันแล่นตัดสินใจเร็วขาดความยั้งคิดความสามารถในทํากิจ ในการทํากิจกรรมเนี่ยมันลดลงอาจจะพบอาการเดินออกจากบ้านไปเรื่อยๆอซึ่งนําไปสู่การหลงทางอัลไซเมอร์ไงคะในเรื่องนี้เนี่ยเขาก็แนะนําผู้สูงวัยที่มีความเสี่ยงและมีภาวะสมองเสื่อมที่ระยะเริ่มแรกเนี่ย <c oughs> เพื่อช่วยชะลอความรุนแรงในการเกิดภาวะสมองเสื่อมให้เกิดช้าลงสามารถพึ่งพาตัวเองและดํารงชีวิตในการทํากิจกรรมประจําวันต่างๆได้มีวิธีป้องกัน5ข้อคะ่ะอย่างแรกก็คือต้องรู้นะคะการรู้คิด ต้องรู้ความคิดของตัวเองเป็นการกระตุ้นให้ใช้ความคิดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอ บ, บ, บตัวโดยฝึกการรับรู้เวลาสถานที่เวลาสถานที่บุคคลโดยใช้สถานการณ์หรือเหตุการณ์ประจำวันช่วยในการกระตุน้นเช่นการอ่านหนังสือดูโทรทัศน์และอุปกรณ์ช่วยบอกวันเวลาเช่นนาฬิกาหรือปฏิทินนะคะที่2ก็คือด้านความจำเมื่อกี้ด้านการรู้คิดอย่างที่สองด้านความจําจะเป็นการช่วยเพิ่มความจําให้กลับมาในระดับเดิมมากที่สุดเช่น ฝึกจำหน้าคนการบอกชื่อคนบางทีเห็นหน้าเนี่ยรู้นะพี่แมวว่ารู้จักแต่จำชื่อไม่ได้เป็นคะ่ะเป็นอยู่พราะเขาเดินไปได้สักพักใหญ่ๆแล้วพึงอ๋อคนนี้เขาชื่ออันนี้เองนะคะบางทีต้องฝึกความจําด้วยสุภาษิตคําพังเพยฝึกนับตัวเลขฝึกเล่นเกมนะคะอย่างที่สามก็คือด้านทักษะพี่แมวต้องรักษาระดับความรู้ความสามารถให้คงเดิมเพื่อเรียนรู้ทักษะเพิ่มขึ้นโดยการเรียนรู้และฝึกทักษะด้วยวิธีการง่ายๆอย่างเช่นวาดภาพ ปั้นดินน้ำมันพอสูงมามลำาั่งวาดภาพปั้นดินน้ำมันเต้นลำลำวงอย่างเงี้ยนะคะก็จะเห็นชมรมผู้สูงอายุเขามีการเต้นลำกันอย่างนงี้นะคะรีลาดอย่างนงี้นะคะ ต้องฝึกด้านอารมณ์ด้วยค่ะแล้วก็จิตใจเป็นงานกระตุ้นความจําและอารมณ์โดยใช้ประสบการณ์ชีวิตในอดีตใช้อุปกรณ์ช่วยเช่นรูปภาพดนตรีเสียงเพลงรวมถึงการออกกําลังกายนะคะก็จะช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นและช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นนะคะและสุดท้ายค่ะต้องด้านพฤติกรรมเลยเป็นการค้นหาสาเหตุ ข, ของพฤติกรรมหรือตัวกระตุ้นเพื่อลดปัญหาอาการอย่างเช่นให้แรงจูงใจให้รางวัลชื่นชมการรักษาแบบนี้จะทําให้พฤติกรรม ที่เป็นหายไปนะคะกับคืนสูพ่พฤติกรรมดังกล่าวนะคะอย่างเช่นการก้าวร้าวการตะโกนเสียงดังนะคะหากพบผู้สูงอายุที่มีการแสดงต่อการเกิดโรคสมองเสื่อมควรต้องปรึกษาแพทย์เชี่ยวชาญควรพาไปตวรวจวินิจฉัยการรักษาโรคนะคะพี่ <ผม S 2> ก็เป็นห้าพฤติกรรมช่วยชะลอสมองเสื่อมในผู้สูงวัยนะคะมีหลายตลายวิธีนะคะที่สามารถช่วยได้เมื่อกี้พี่ฟังนะนงทีการปั้นดมันบางทีมันต้องกลับ จะบอ ก, กบว่ามึง เ, เด็กกลับไปเป็นเด็กใช่ค่ะ <c oughs> เพราะบางทีในการปั้นดิดมันมันก็เป็นไรที่แบบ เสริมสร้างทักษะหรือไม่ก็บางทีนี่มันทำให้เราเพลิดเพลินได้นะแล้วก็อั น, น<ำ>เป็นด้านทักษะจริงๆใช่ไหมออคะนั้นแหะค่ะบางทีเราอยาบอกว่าเอ๊ะกลับมาเล่นดินน้ํามันอีกเหมือนเ <laughs> หมือนเด็กๆบางทีมันก็ไม่ได้เพราะว่าพฤติกรรมเหล่านี้บางทีมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราได้พัฒนาสมองมากขึ้นมีจินตนาการมากขึ้นนะค ะ, คะเอาละค่ะมาถึงคอนดิชนันบ้างก็จะพามาดูในเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับด้านไข ข, ข้อหรือว่าข้อต่อข้อกระดูกกันบ้างค่ะคุณนุฟังว่าเราจะมีพฤติกรรมหรือว่ามีปัจจัยเสีีี่่่งงงอออะะไรรบ้้้าาาททจํใหขขเเน ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งความผิด ป, ปกติของข้ออักเสบนะคะเขาเนี่ยจะเกิดจากถุงที่หุ้มน้ําในข้อต่อที่ช่วยในการหล่อลืน่นระหว่างการเคลื่อนไหวเนี่ยเกิดความเสียหายขึ้นค่ะคุณผู้ฟังทําให้การเคลื่อนไหวของข้อต่อเนี่ยไ ม, ไม่สะดวกเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเขาไม่มีการเชื่อมติดต่อกันอาจจะมีการเสียดสีหรือ ว, ว่าเกิดการอักเสบแล้วก็การปวดที่รุนแรงทีนี้ปัจจัยที่ทําให้เกิดความผิดปกติของข้อต่อมีอะไรบ้างอย่างเช่นอุบัติเหตุที่ทําให้เอ็นยึดข้อต่อเนี่ย หรือว่าเอ็นยึดข้อเนี่ยหย่อนหรือว่าฉีกขาดได้นะคะการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายที่หนักเกินไปหรือว่าะการเล่นกีฬาบางประเภทพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจําวันที่ไม่ระมัดระวังค่ะคุณผู้ฟังแล้วถ้าเกิดว่าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกวิธีเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดอาการบวมแล้วก็ปวดบริเวณข้อมากขึ้นทีนี้ในกลุ่มเฉพาะผู้สูงอายุอาจจะเกิดจากข้ออักเสบจากหลายสายเหตุนะคะคุณผู้ฟังอย่างเช่นผลจากข้อข้อเข่าเสื่อมอ่านะคะหรือว่าโรคเกาโรครวมติกรวม มาตอยหรือว่าโรค SLE นะคะซึ่งทำให้มีอาการปวดบวมแดงตามข้อนะคะอันนี้ก็ต้องสังเกตด้วยทีนี้จะมีวิธีใดบ้างค่ะคุณฟังที่เราจะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้เสี่ยงต่อเกิดอาการข้ออักเสบมากขึ้น อย่างแรกเลยค่ะคุณฟังก็คือการคุกเขา่าก็อย่างที่เราทราบกันดีอยู่นะคะว่าส่วนประกอบของเข่าเนนอกจากกระดูกข้อต่อแล้วเนี่ยยังมีกล้ามเนื้อรอบข้อรอบข้อต่อค่ะคุณฟังซึ่งจะทำหน้าที่ทางควบคุมแล้วก็ชะลอการเคลื่อนไหวของข้อคล้ายกับโช๊คอพของรถยนต์ทีนี้การลงน้ำหนักที่เขาเ่ามาทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเพื่อป้องกันการ บาดเจ็บของข้อเข่าค่ะคุณผู้ฟังคุณหมอเขาก็เลยแนะนําว่าให้ควรลงน้ําหนักที่เข่าช้าๆหรือว่าหาเบาะมารองบริเวณหัวเข่าไว้เพื่อกันกระแทกนอกจากนี้ค่ะคุณหมอยังแนะนําให้ฝึกใช้กล้ามเนื้อด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเข่าเนี่ยให้เกิดความสมดุลเพื่อให้เข่าเนี่ยยังมีสปริงสามารถใช้งานได้ตามปกติการยกของหนักก็เช่นเดียวกันค่ะ ถ, ถ้าเกิดว่ายกผิดท่าผิดทางเนี่ยก็อาจจะทําให้หมอนรองกระดูก อ่าสันหลังเนี่ยบาดเจ็บได้คือบางคนเนี่ยที่เห็นไหมคะเขาต้องมีเอตัวแข็งๆอ่ะรัด<อ>รัดเอาไว้ เ, เป็นสายรัดนะคะใช่แล้วค่ะซึ่งคุณหมอแนะนำค่ะว่าต้องให้ความสำคัญกับการยกของในท่าที่ถูกต้องด้วยคือถ้าเกิดถือ ถ้าเกิดจะยกยกของค่ะคุณฟังให้ยืนในให้ยืนชิดกับของที่เราจะยกวางเท้าข้างหนึ่งนะคะด้านข้างสิ่งของส่วนอีกข้างหนึ่งเนี่ยให้อยู่ด้านหลังเพื่อรักษาวความสมดุลของร่างกายจากนั้นก็ให้ย่อเข่าลงช้าๆเพื่อรักษาแนวสลังให้อยู่ในแนวตรงค่ะคุณฟังถ้าเกิดว่างอหรือยืดหลังมากไปเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บรบริเวณหมอนรองกระดูกได้แล้วก็จับสิ่งของวัสดุให้มั่นคงโดยให้น้ําหนักของสิ่งของเนี่ยผ่านลงที่ขาทั้งสองค่ะ แทนการใช้แรงจากกล้ามเนื้อหลังนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นการที่ยกของที่ถูกวิธีทีนี้การบิดตัวผิดท่าผิดทางก็สามารถที่จะเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการทําให้ข้ออักเสบได้นะคะซึ่งการบิดตัวที่ผิดท่าผิดทางเนี่ยอาจจะเกิดการเอี้ยวตัวมากเกินไปหรือว่าเอื้อมไปหยิบสิ่งของซึ่งบ่อยครั้งอาจทําให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดแรงกระแทงที่กระดูกทื่งบางคนบอกจะใช้กแบบเอี้ยวไปหยิบของอ่ะแล้วเกิดอาการแบบโอย กลับมาไม่ได้แล้วอะไรแบบนี้นะค ะ, คะซึ่งคุณหมอก็แนะนําเช่นเดียวกันค่ะว่าก่อนที่จะเอี้ยวตัวทุกครั้งเนี่ยให้นั่งในท่าตรงก่อนค่ะคุณฟังแล้วก็ปิดตัวไม่ไม่กินแรงเพื่อให้สะบักหรือว่าหลังเนื้อรับภาระน้อยที่สุดแล้วก็จะลดภาวะการบาดเจ็บของหลังแล้วก็กระดูกคอได้นะคะบางคนมีความรู้สึกว่าโอ้โหพอพอเอี้ยวซ้ายทีก็กรอบแกรบกรอบแกรบนะคะเพราะฉะนั้นคุณหมอบอกว่าก่อนเอี้ยวตัวทุกครั้งเนี่ยให้นั่งในท่าตรงแล้วก็บิดตัวไม่เกินแรงนะคะที่จะให้สะบักแล้วก็หลังเนี่ยรับ พาระให้น้อยที่สุดการเดินในท่าที่ผิดก็สามารถทําให้พฤติกรรมเกิดข้ออักเสบได้นะคะคุณหมอก็บอกว่าการเดินที่ถูกต้องเนี่ยให้ลงน้ําหนักไปที่ขาทั้งสองข้างไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาให้เท่ากันแล้วก็ทรงตัวด้วยกล้ามเนื้อขาทั้งสองข้างให้สังเกตการเดินขึ้นที่สูงมาจะทําให้เรารู้สึกว่าเราเมื่อกล้ามเนื้อค่ะคุณฟงังแต่ว่าเมื่อเกิดการเดินแต่มักเดินช้าขึ้นเมื่อมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะคะทีนี้การเดินลงส่วนใ อ, อาจจะเดินเร็วเพราะว่า ลงมันง่ายกว่าขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุการพลาดตกบันไดนะคะก็สามารถที่จะทำให้เกิดข้ออักเสบได้เช่นเดียวกัน หรืออันนี้สําคัญมากเลยค่ะคุณฟังก็คือมีน้ําหนักตัวที่เกินเกณฑ์มาตรฐานในเรื่องของน้ําหนักตัวเนี่ยถือเป็นเรื่องสําคัญค่ะคุณฟางถ้าเกิดน้ําหนักเนี่ยเกินมาตรฐานก็จะส่งผลให้การออกกำลังกายเนี่ยเกิดความไม่สมดุลขึ้นแล้วล่ะค่ะโดยใช้เกณฑ์การคํานวณน้ําหนักตัวร่วมกับมวลกล้ามเนื้อแล้วก็เรื่องของข้อต่อกระดูกก็ต้องใช้กล้ามเนื้อให้มากที่สุดเพื่อลดภาวะการอักเสบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ ทีนี้คนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานนะคะมีน้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยก็นับว่าเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ข้อต่อนวกระดูกเนี่ยเสื่อมเร็วกว่าคนปกติแต่ในบางคนที่มีน้ําหนักตัวสูงค่ะคุณฟังกลับมีมวลกล้ามเนื้อมากแข็งแรงมากก็สามารถที่จะลดการบาดเจ็บที่ข้อต่อนวกระดูกได้เช่นเดียวกันค่ะคุณฟัง การพักผ่อนก็เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังการพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยถ้าเกิดมีอายุมากขึ้นการพักผ่อนน้อยบางคนนอนไม่หลับนั้นซึ่งแน่นก็จะหมายความว่าช่วงเวลาของการซ่อมแซมเซลของกระดูกหรือว่าข้อต่อต่อตางๆเนี่ยก็จะเริ่มลดน้อยถอยลงและทําให้สูญเสียการซ่อมแซมหรือซ่อมบํารุงนะคะก็ทําให้ช่วงวัยของหนุ่มสาวหรือว่าช่วงวัยที่ทํางานเนี่ยมีความรู้สึกว่ากระดูกเนี่ย อาจจะแข็งแรงไม่เต็มที่ ม, มีการซ่อมแซมยังไม่เต็มที่นะค ะ, คะน้ําตาลในเลือดค่ะก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญนะคะที่ทําให้น้ําในข้อต่อเนี้ยเกิดความเสียหายส่งผลให้น้ําตาลในร่างกายเนี้ยสวิงขึ้นสวิงลงเราจึงควรให้ความสําคัญเกี่ยวกับน้ําในข้อต่อแล้วก็คุณภาพของน้ําในข้อต่อด้วยเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างที่เราประพฤติปฏิบัติกันอยู่ในทุกวันนี้และคะในชีวิตประจําวันนี้แหละก็เสี่ยงต่อพฤติกรรมที่ทําให้ข้ออักเสบเหมือนกันบางคนแบบโอ้ยเดินขึ้นบันไดนะเดินขึ้นได้แต่พอเดินลงเดินลงที่บอก โอ้ยลงอย่างเร็วบางทีก็อาจจะทำว่าลงยากกว่า สำหรัคนที่มีปัญหานะใช่ยากกว่าขึ้นนะคะใช่แล้วค่ะ <S <S <ừ> แล้วก็การคุกเข่าบางคนก็เห็นเป็นเรื่องง่ายๆไม่ว่าจะการคุกเข่าหรือการนั่งผาเพียบก็แล้วแต่นะคะก็ต้องทําให้ถูกท่าถูกทางถ้าจะนั่งคุกเข่าเนี่ยก็ต้องมีเบาะมารองมารองเข่านะคะเพราะบางทีเนี่ยเราลงล ง, ลงน้ําหนักตัวไปที่หัวเข่าเนี่ยบางทีแรงกระแทกนี่แหะค่ะก็จะทําให้ข้อเข่าเนี่ยเกิดความเสียหายได้รวมถึงการพักผ่อนสําคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อเราพักผ่อนอย่าเต็มที่แล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยเขาก็จะซ่อมแซมทุกสิ่งทอย่างให้ดี เดิหรือไม่ก็ให้ใกล้เคียงกับของเก่ามากที่สุดคืออะไรที่สูญเสียไปถ้าเกิดเรามีการกินอิ่มนอนหลับมีอาหารที่มีประโยชน์ก็จะทําให้ร่างกายในซ่อมแซมในส่วนที่สึกหลอลงไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นการพักผ่อนนี่ก็ถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่สุดเหมือนกันค่ะค่ะก็เอามาฝากกันค่ะเป็นทริปดีๆจากเราทั้งสองคนนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ขอบคุณผู้ฟังเรากลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะสักครู่ค่ะเฮลที่กลับกลับของคนรักสุขภาพ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 กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของรายการเฮลที่คลับขลับของคนรักสุขภาพนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของเฮลท็อกนะคะเฮลท็อกในวันนี้ค่ะก็จะมีอาการซึ่งคุณผู้ฟังอาจจะเริ่มเป็นแล้วนะคะในเรื่องของอาการลงหลงลืมๆืมนะคะลงหลงลืมๆืมเนี่ยต้องมาดูกันว่าอาการนี้บอกอะไรกับคุณผู้ฟังได้บ้างนะคะว่าเป็นอัลไซเมอร์ไหมโรคสมองเสื่อมไหมรวมถึงยังมีวิธีการรับประทานอาหารนะคะเพื่อจะช่วยให้อาการหลงหลงลืมๆมดีขึ้นด้วยนะคะก็อยู่กับเราทั้งสองคนค่ะดิฉันทีรวรดีและพี่แมวคุณันนรีะะะคค่ ลืมแบบไหนล่ะคะพี่แมวที่ถือว่าไม่ปกติต้องมาเช็กกันก่อนนะคะว่าลืมแบบไหนที่ไม่ปกติบางคนก็ลืมโทรศัพท์ลืมกุญแจลืมมาพูดอะไรไปแล้วบ้างบางครั้งก็เป็นบ่อยจนเป็นเรื่องปกติลืมเป็นลืมเป็นเรื่องปกติค่ะซึ่งบางครั้งมันคงไม่แปลกที่เราจะลืมบ้างแต่ว่าถ้ามันลืมบ่อยๆจะรู้สึกว่าผิดปกตินะคะ เราก็ต้องมาดูกันว่าลืมแบบไหนที่ไม่ปกตินะคะอาการขี้ลืมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยนี่แหละบางครั้งเราจะต้องทําหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันทําให้ขาดสมาธินอนไม่พอหรือไม่ก็แม้แต่กินยานอนหลับก็อาจจะทําให้หลงลืมอะไรไปบ้างแต่หากลืมบ่อยๆจนถึงขั้นมีผลต่อการใช้ชีวิตเนี่ยมักถามคําถามเดิมซ้ําๆลืมเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานนะคะหรือว่าลืมเรื่องลืมอาการลืมที่มันรุนแรงขึ้นเนี่ยนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่า ขี้ลืมธรรมดาหรือว่าเป็นโรคสมองเสื่อมก็ต้องมานั่งดูกันนะคะอาการของคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมจะแตกต่างจากคนขี้ลืมปกติตรงที่ไม่สามารถจําได้เลยว่าเพิ่งหยิบของมาหรือว่าเพิ่งทําอะไรไปก่อนหน้า น, านั้นเช่นจะไม่ได้ว่ากินข้าวไปแล้วหรือยังอือันนี้อาจจะเป็นในผู้สูงวัยผู้สูงอายุทีล่ลงลืมๆหรือว่าเพิ่งกินข้าวไปเมื่อกี้นี่เองแต่ก็จําไม่ได้ละนอกจากนี้ก็อาจจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเช่อนอารมณ์แปรปรวน หงิดง่ายโดยไม่มีสาเหตุหรือว่าอยู่ดีๆก็หัวเราะขึ้นมายิ้มขึ้นมาเองทงั้งๆที่ไม่มีเรื่องอะไรให้ยิ้มหรือว่าหัวเราะนะคะอาการเหล่านี้เป็นอาการที่พบได้ของโรคสมองเสื่อมไม่ใช่ว่ามีอาการบ้าหรืออย่างไรนะคะพี่แมวค่ะเป็นหนึ่งอาการของโรคสมองเสื่อมระวังตัวก่อนที่จะสายเนี่ยเราสามารถเช็คสัญญาณของโรคสมองเสื่อมได้นะคะอย่างเช่นเริ่มมีอาการหลงหลงลืมลืมำคิดย ำ, ยำทำหรือว่าชอบถามอะไรซ้ำๆบ่อยๆไหม ม, มีอาการหลงทิศ หลงทางไหมคะเช่นปกติต้องเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านแต่วันนี้กลับเลี้ยวขวาเราคิดว่าเป็นซ้ายนะคะก็ห <laughs> นักแล้วเหมือนกันถ้ามีอาการแบบนั้นมีพฤติกรรมหรืออารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นซึมเศร้าง่ายหงุดงิดง่ายก้าวร้าวมีปัญหาในการใช้ภาษาโดยมักพูดไม่รู้เรื่องในการเรียงลําดับในการใช้คําพูดเนี่ยเรียงลําดับไม่ได้ก็คือพูดผิดไปจากเดิมสับสนเรื่องเวลามักคิดว่าเวลาผ่านไปนานกว่าปกติทั้งที่เพิ่งผ่านไปได้ไม่นานนะคะ สติปัญญาก็ด้อยลงคิดเรื่องยากๆหรือแก้ไขแก้ไขปัญหาไม่ค่อยได้ทั้งที่ก่อนหน้านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตามปกติขาดความริเริ่มจากเดิมที่เป็นคนกระฉับกระเฉงว่องไวกลายเป็นคนที่เฉื่อย เรื่อยๆไม่คล่องแคล่วเหมือนแต่ก่อนมักจะวางของผิดที่เช่นเอาโทรศัพท์มือถือไปวางไว้ในตู้เย็นอันนี้มีหลายคนนะบางคนบอกว่าหาไม่เจอแต่พอลาใครที่ไปเปิดตู้เย็นเจอบอกเอ้านี่ไงโทรศัพท์ไปอยู่ในช่องฟริตก็มีค่ะวางในตู้เสื้อผ้าอย่างเงี้ยนะคะ่ะโดยที่ไม่คิดว่าตัวเองวางผิดที่เลยมั่นใจว่าวางไว้ตรงนี้แน่นอนแน่นใจว่ายังแล้ก็จะอยู่ในตู้เย็นแล้วจะบอกว่าใครขโมยของฉันไปทํางานซ้ําซ้อนไม่ได้เช่นวางแผนงานลําดับงานไม่ได้หรือแม้กระทั่งเลขง่ายๆก็ไม่สามารถคิดได้บุค เปลี่ยนไปค่ะมักไม่เข้าสังคมมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเช่นอยู่ๆก็ยิ้มหัวเราะเสียงดังโดยที่ไม่มีสาเหตุพี่แมว อ, มอย่ามองว่าอาการหลงลืมเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าปัญหาเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆโดยสง่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันถ้าพบว่ามีการผิดปกติ เกิดขึ้นอย่างที่ที่ชั้นบอกเนี่ยนะคะควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุเพื่อจะได้หาทางรักษาได้อย่างทันท่วงทีค่ะคือบางทีเนี่ยน้องทีคุณผู้ฟังคะโรคสมองเสื่อมกับที่เราจะได้กันง่ายๆว่าคนบ้าบางทีพฤติกรรมเขาจะใกล้เคียงกันแต่ว่าบางทีเราก็ต้องมีจุดสังเกตบางอย่างซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างที่น้องทีบอกว่าเคยเข้าบ้านเคยเลี้ยวฝาเลี้ยวขวาแล้วกลายเป็นว่าเลียเล้ยวซ้ายซ้ายเราคิดว่าเป็นขวาด้วยอ่าใช่ค่ะนั่นแหละค่ะบางทีเราก็ต้องสังเกตพฤติกรรมมันก็ค่อนข้างที่จลละเอียดอ่อนนนนนะะคคทททีีี้้สาาเเเหหตุ่ํใรกลป็ ลืมมีอะไรบ้างนะคะมีหลายๆคนค่ะบอกว่าก็ไม่อยากเป็นคนขี้ลืมหรอกนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแล้วจะทำยังไงใช่ไหมคะเมื่อเมื่ อ, อหลงลืมอะไรบางอย่างแล้วก็บ่อยบ่อเนี่ยก็จะเริ่มเป็นสัญญาณบอกเราแล้วค่ะว่าหนึ่งอายุมากขึ้นนะคะ <laughs> ยิ่งถ้าเกิดหถ้าแล้วถ้าเกิดยังเรายังอยู่ในวัยเรียนวัยทางานถ้าเกิดอาการหลงหลงลืมลื ม, ลมบ่อยๆเนี่ยแน่นอนคะ่ะถ้าอยู่ในวัยเรียนเกรดต่ําแน่นอนหรืออยู่ในวัยทํางานงานก็ต้องออกมาไม่ดีแน่ๆนะคะทีนี้มีสาเหตุอะไรบ้างที่ทําให้เรากลายเป็นคนขี้หลงขี้ลืมลองดูนะคะคุณนุ่ฟังว่าคุณนุ่ฟังเนี่ยอยู่ในหลายๆสาเหตุเหล่านี้หรือเปล่าอย่างแรกเลยคะ่ะเรื่องเกี่ยวกับการนอนค่ะคุณนุ่ฟัง นอนไม่พอให้สังเกตตัวเองง่ายๆเลยค่ะว่าถ้าเกิดวันนั้นเเลอๆมึนๆงงๆสมองทำงานช้านะคะคิดอะไรก่อนไม่่อยจะทานคิดตัดสินใจอะไรก็ช้าลงนะคะลองถามตัวเองดูค่ะเมื่อคืนแน่นอน ไปกี่ชั่วโมงนอนกี่ทุ่มตื่นกี่โมงนะคะหรือช่วงนี้เนี่ยนอนเนี่ยต่ำกว่า 5-6 ชั่วโมงหรือเปล่าซึ่งนอกจากการพักผ่อนน้อยจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราขี้หลงขี้ลืมได้แล้วเนี่ยยังทำให้เรามีอารมณ์แปลโปรนด้วยค่ะคุณผู้ฟงังก็จะทำให้มีความชุนเฉียวได้ง่ายนะคะยังเสี่ยงกับอาการวิตกกังวลที่สามารถนาไปสู่ภาวะการหลงลืมได้ด้วย ยารักษาโรคบางชนิดค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังกําลังรักษาโรคบางชนิดต้องใช้ยาบางตัวอยู่นะคะอย่างเช่นยาที่กินต้องเป็นยาระงับประสาทยาแก้แพ้ยาซึมเศร้าหรือายาควบคุมความดันโลหิตบางชนิดและการรักษาบางโรคนะคะอาจจะมีผลตก่กันมีผลทางด้านความจําของสมองนะคะอาจทําให้ผู้ที่ได้รับยาเหล่านี้เนี่ยจะมีสมาธิความจดจําที่สั้นลงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในะยากมากขึ้นหากคิดว่ายาที่กินอยู่มีผลกระทบต่อความจําเนี่ยต้องเ ป, ปรปึกษ กับคุณหมอประจําตัวนะคะเพื่ออาจจะต้องหาสาเหตุที่แท้จริงว่าจริงหรือเปล่าที่เราหลงหลงหลงลืมๆืมเนี่ยอาจจะเกิดกับยาบางชนิดที่เรากําลังรับประทานอยู่ภาวะขาดไทรอยค่ะคุณผู้ฟงังภาวะขาดไทรอยหรือว่าไฮเปอร์ไทรอยเนี่ยอาจจะส่งผลต่อความสามารถในความจําก็ได้อย่างเช่นอาการถูกรบกวนขณะนอนหลบับอาจจะนําไปทุ่ นำไปสู่ภาวะซึมเศร้าหรืออาจจะเป็นสาเหตุที่ลดความสามารถในการจําด้วยนะคะถ้าอยากรู้ว่าตัวเองเสี่ยงต่อภาวะขาดไทรอยด์หรือเปล่าเนี่ยสามารถเข้าตรวจคือสามารถไปตรวจเลือดได้ค่ะว่าเราจะมีภาวะขาดไทรอยด์หรือเปล่าคือสามารถตรวจได้ทางผลโลหิตก็คือตรวจเลือดนั่นเองแอลกอฮอล์ค่ะคุณฟังการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าแอลกอฮอล์นี่ยจะไปทําลายความทรงจําในระยะสั้นแม้ว่าจะ ในปริมาณ น, น้อยก็เธอค่ะแต่ว่าในแต่ละคนนี้ก็จะส่งผลกระทบในเรื่องของความจําระยะสั้นนั้นแตกต่างกันออกไปค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะควรดื่มในปริมาณที่พอหมอะนะไม่มากเกินไปนะค ะ, คะแล้วก็คุณหมอก็จะแนะนําง่ายๆว่าผู้ชายไม่ควรดื่มวันละสองแก้วไม่เกินไม่เกินใช่ค่ะไม่เกินวันละสองแก้วส่วนผู้หญิงค่ะหนึ่งแก้วพอค่ะ นะคะความเครียดความวิตกกังวลถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยสมองคุณมีแต่เรื่องต้องคิดมากมายไก่กองคิดไหนัก อ, อย่างตลอดเวลาอาจจะทําให้คุณละเลยข้อมูลอื่นๆหรือข้อมูล ใ, ใหม่ๆที่เกิดขึ้นรอบตัวได้ก็จะทําให้คุณเนี่ยไม่มีสมาธิจดจ่อยอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองภาวะซึมเศร้านะคะเป็นอาการบ่งบอกถึงภาวะซึมเศร้าที่สังเกตได้ง่ายคือก็ไม่ร่าเริงค่ะน้านิง่งไม่ไหวติงใครจะไม่แย่ใครจะมาเล่นก็ไม่มีปฏิกิริยาโต้อตอบนะคะไม่มีแรงบันดาลใจที่จะทําอะไรนะคะมีความสุข น้อยลงกับกิจกรรมต่างๆหรือว่าบางสิ่งที่เคยชอบก็เลยไม่ชอบแล้วบางสิ่งบางอย่างที่เคยมีความสุขก็ไม่มีความสุขนะคะนั่นจึงรวมไปถึงการทำงานของสมองที่เลือกที่จะไม่จดจำอะไรเป็นพิเศษนะคะ ถ้าเกิดมาถึงณจุดจุดนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังมีความสงสัยว่าตัวเองเนี่ยหลงลืมผิดปกติควรจะรีบปรับพฤติกรรมนะคะอย่างเช่นง่ายๆเลยค่ะก็คือต้องนอนหลับพักผ่อนให้หเพียงพอลดความตึงเครียดรูดการดื่มแอลกอฮอล์นะคะถ้าเกิดว่าพยายามทำแล้วแหละนอนก็ให้ครบ 6-8 ชั่วโมง ดื่มเหล้าก็ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก็ไม่ดื่มเครียดเหรอก็อาจจะมีบ้างแต่เครียดไม่มากถ้าเกิดว่าดูอาการแล้วนะคะยังไม่ดีขึ้นต้องรีบปรึกษาคุณหมอเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็ทําการรักษาที่ถูกต้องต่อไปค่ะเค้านี้ถ้าไม่อยากหลงหลงลื ม, ล, ม, ล, มลืมเนะคะไม่อยากจะลงหลงลืมลื ม, ลมกินอาหารเพิ่มความจําก็มีอาหารที่สามารถทานเพิ่มความจําได้นะคะค่ ะ, อ, ะอย่างแรกที่ดิฉันบอกก็คือน้ํามันพืชในน้าสลัด น้ำมันพืชในน้ำสลัดเพราะว่าเขามีข้อมูลสนับสนุนออกมาว่าการกินอาหารที่มีวิตามิน E สูงซึ่งครอบคุมไปถึงน้ำมันพืชที่นํามาเป็นเบสของน้ำสลัดสารต้านอนุมูลอิสระที่มีพลังงานอย่างวิตามิน E อาจจะช่วยป้องกันเซลลในประสาทนะคะเซลลประสาทในสมองไม่ให้เสื่อมสภาพก่อนวัยอันควรในโรคอัลไซเมอร์ได้ปลาค่ะปลาเพิ่มความจําได้อย่างที่บอกปลาแซลมอนปลาแมคเคเรลปลาทูนา่าและปลาอื่นๆอุดมไปด้วย กรดไขมันโอเมก้านะคะรวมถึง DHA นะคะมีกรดไขมันอิ่มชนิดไม่อิ่มตัวนะคะซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาสมองและประสาทตาการกินปลาที่มีกรดไขมันโอเมก้าเยอะๆนั้นจะช่วยบำรุงสมองได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเด็กในช่วงสามปีแรกนะคะควรได้รับกรดไขมันโอเมก้าอย่างเพียงพอต่อร่างกายเพื่อพั ฒ, พฒนาการที่ดีของสมองและประสาทตาค่ะอโวคาโด สามารถหาทานได้ง่ายๆนะพี่แมวเป็นแหล่งสำคัญของสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินเ e นะคะมีอยู่เยอะมากรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระที่มีสร้างวิตามินซีนะคะมีปริมาณไฟฟเรสสูง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคอัลไซ เ, เมอรนะ์ผักใบเขียวเข้มนะคะผักใบเขียวเข้มหรือคะน้าใบหยิกอย่างเงี้ย น, นะคะก็กําลังคิดอยู่นะคะซึ่งเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะคะที่มีคุณค่าทางสารอาหารสูงมากๆนะคะพอกับผักขมเลยผักคะน้าใบหยิกเนี่ยหรือว่าปวยเล้งนะคะบักโคี่ผักสีเขียวที่กล่าวมาเนี่ยมีวิตามินอ e, ีแล้วก็โฟเลตนะคะค่อนข้างสูงซึ่งโฟเลตมีส่วนช่วยในการลดระดับกรดอะมิโนนะคะ ในเลือดซึ่งหากมีมากเกินไปก็จะเป็นตัวทาลายหลอดเลือดโดยเฉพาะหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดที่อยู่ในสมองซึ่งจะส่งผลทำให้หลอดเลือดมีโอกาสตีบและอุดตันได้ง่ายกว่าที่ระดับนะคะโฮโมซิตเตอีนในเลือดปกติ กรณีที่หลอดเลือดหัวใจตีบและอุดตันเนี่ยโอกาสที่หลอดเลือดจะผ่านคอไปเลี้ยงสมองอุดตันก็ตีบก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงหัวใจได้น้อยลงสร้างปัญหากล้ามเนื้อหัวใจตายเป็นส่วนๆหากหลอดเลือดสมองตีบเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยลงประสาทในสมองก็รีบฝ่อนะคะก่อให้เกิดปัญหาสมองฝ่อหรือว่าอัลไซเมอร์และปลายประสาทเสื่อมนะคะรวมถึงอาจจะทําให้ป่วยเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตได้เลยค่ะ ต่อไปคะ่ะน้องทีก็คือเมล็ดทานตะวันนะคะซึ่งเมล็ดทานตะวันนี้เขาจะอุดมไปด้วยวิตามินอีค่อนข้างสูงแล้วก็การกินเมล็ดทานตะวันอบแห้งในปริมาณ1ออนจะเท่ากับการจะเท่ากับปริมาณที่ร่างกายได้รับต่อวันซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะลองโรยเมล็ดทานตะวันเราในจานสลัดดูคะ่ะคุณผู้ฟังนอกจากจะช่วยเสริมสร้างพลังสมองแล้วเนี่ยเขาก็ยังเพิ่มรสชาติให้กับสลัดเนี่ยมีความกรุบกรอบมากขึ้นด้วยนะคะ <c oughs> ถั่วแล้วก็เนยถั่วนะคะแม้ว่าถั่วเนี่ยแล้วก็เนยถั่วจะมีปริมาณไขมันที่สูง คุณนุฟงแต่ก็เป็นไขมันที่ดีต่อร่างกายรวมทั้งมีปริมาณวิตามินอ e ีสูงด้วยก็จะช่วยในเรื่องของหัวใจแล้วก็การทำงานของสมองให้ดีขึ้นเช่นเดียวกับพวกเฮลเซนน์ at, หรือว่าอัลมอนด์นั่นเองค่ะอ่ะมาถึง ใขรที่ชื่นชอบไวน์แดงนะคะซึ่งจากการศึกษาค่ะคุณฟังพบว่าคนที่ดื่มไวน์แดงในปริมาณที่พอเหมาะทุกวันก็คืออ่ะตัว ล, ละหนึ่งแก้วนะคะแอกลกอฮอล์ชนิดที่อยู่ในไวน์แดงเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะคุณฟังไม่ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่สตอเบอร์รี่ เชอร์เบอร์รี่ต่างๆนะคะเชอรี่ใช่แล้วค่ะ <c oughs> พวกตระกูลเบอร์รี่นี่แหละค่ะเขาจะทำหน้าที่เป็ น, นกลไกในการกำจัดโปรตีนเป็นพิเศษที่มีส่วนในการทำลายความทรงจาแล้วก็ช่วยชะลออายุของสมองไม่ให้เสื่อมโทรมเร็วกว่า วัยอันควรนั่นเองโเกเนบางคนเคยได้ินแบบนี้อยู่นะคะคือโเกเนเนี่ยและการลดน้ำหนักสไตล์โมเดเตอร์เรเนียนนะคะโเกเรนเนี่ยหรือว่าเป็นธัญยพืชทั้งหลายทั้งมวลนี่ะค่ะเขาจะมีไฟเบอร์ที่สูงมากเป็นสารอาหารสำคัญนะคะในการลดน้ำหนักแบบเมดิเตอร์เรเนียนนะคะซึ่งการรับประทานธันยพืชนี่ะค่ะเป็นการลดสไตล์ การลดน้าหนักสไตล์เมดิเตอรเลเนียนะคะจะช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงในการเกิดความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถพัฒนาไปเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ถ้าเกิดว่ามีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังช่วยลดการอักเสบของแผลลดความเสื่อมของเซลล์ที่ถูกทําลายโดยอนุมูลอิสระและที่สําคัญก็คือลดความเสี่ยงในการเป็นโรคความดันโลหิตสูงนี่คือประโยชน์ของโฮเกิเลหรือว่าธัญพืชนั่นเองเพราะฉะนั้น ท, ทั้งหมดทั้งมวลที่เรานํามาฝากคุณผู้ฟังก็คือในเรื่องของเมล็ดทานตะวานันเนยถั่วไวแดงหรือว่า ผักใบเขียวอะโวคาโดปลานะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละค่ะเป็นอาหารที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันแล้วแล้วก็เขาสามารถที่จะช่วยเพิ่มความจําทําให้เราเน่ไม่ไม่มีอาการหลงหลงลืมๆได้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังทานปลาดีมีประโยชน์นะคะปลาเล็กปลาน้อยก็มีแคลเซียมสูงใช่ใชค่ะคกระดูกด้วยคือบางทีเนี่ยอาหารบางอย่างบางชนิดเนี่ยนอกจากจะเรื่องของสมองในเรื่องของความจําแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีประโยชน์ทางด้านอื่นๆที่ควบคู่กันไปด้วยบางทีก็อาจจะอ่ะทูอิวานนะคะ รักษาหรือว่าช่วยในเรื่องของความจําแต่อาจจะไปมีผลในเรื่องของอย่างอื่นอย่างเช่นที่น้องทีบอกก็คือในเรื่องของรปลา น, นะคะเนาะมีแคล เ, เซียมนอกจากจะช่วยในเรื่องของบํารุงสมองแล้วเนี่ยยังช่วยบํารุงกระดูกได้ด้วยก็ถือว่าหลายๆอย่างค่ะผักหรืออาหารก็แล้วแต่เนี่ยสามารถที่จะบํารุงร่างกายได้ในหลายๆอย่างหลายชนิด ท, ทำให้ร่างกายของเรานี้แข็งแรงที่สําคัญคือถ้าเกิดว่าเราสามารถปรุงได้เองปรุงได้สุกหรือว่าสามารถที่จะซื้อมารับประทานเองแบบสดๆใหม่เนี่ยก็จะยิ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ก็เอามาฝากกันค่ะในเรื่องของอาการหลงลงลืมๆนะคะอาการนี้บอกอะไรกับเราได้บ้างเราจะมีวิธีการสังเกตตัวเองอย่างไรรวมถึงอาหารผักผลไม้ต่างๆนะคะเราจะทานอะไรได้บ้างเพื่อช่วยให้อาการนี้น้อยลงนะค ะ, คะก็ จะบอกว่าคือที่ที่เราสองคนนํามาฝากคุณฟังอันนี้ก็มีหลายอย่างนะที่มีความรู้สึกตัวพี่เองพี่บอกเออว่ะก็เป็นอยู่ใช่อาการนี้ใกล้เคียงแล้วล่ะสงสัยต้องไปหาตัวช่วยอย่างที่มันนํามาฝากคุณฟังกันแล้วค่ะเพราะว่าเอ๊ะได้หน้าแล้วลืมหลังพี่เคยมีนะเอากุญแจรถวางไว้แล้วก็มีความรู้สึกว่าฉันหยิบลงมาแล้วแล้วทํำไมหายไปไหนแล้วก็นึกไปที อ๋ออยู่ตรงนั้นหรือเปล่าคือตาล่าคิดว่าอยู่ตรงนี้ในตู้เ<พ>ย็นหรือเปล่าพอไปดูจริงๆไม่อยู่บนตู้ในตู้เย็นแต่ไปอยู่บนตู้เย็นแต่ความคิดว่าน่าจะหยิบลงมาแล้วแล้วปรากฏว่าหยิบมาปุ๊บอา้าวความมั่นใจนั้นคือกุญแจบ้านมไม่ใช่กุญแจรถยนต์<ช>นี่แหละค่ะคือเริ่มส่ออาการแล้วค่ะค<ช>ุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นที่ฉันต้องรีบไปหาตัวช่วยในการที่จะ รับประทานสมองเราแข็งแรงมากขึ้นค่ะค่ะก็เอามาฟัง ก, กันค่ะเป็นทอกดีๆจากเราทั้งสองคนนะคะถ้าอยากฟังรายการสุขภาพซึ่งมีสาระครบถ้วนเนี่ยฟังติดตามฟังรายการของเราทั้งสองคนได้นะค ะ, คะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังมาโดยตลอดนะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะเราจะกบเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่ในทุกๆวันอาทิตย์นะคะตีสี่ถึงตีห้านะคะสําหรับวันนี้ดิฉันธีรวดียิ่งมีค่ะดิฉันนัทนาลีสุขดีค่ะลาคุณผู้ฟังไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ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 RMUTT Radio.